ยัญจาปปัญจาอุโภสังฆังอุปัจจค้าอสาซกังวิระชังสุทธังตัมมหังภูมิพระมณังผู้ใดล่วงบุญและบาปทั้งสองและกิเลสเครื่องคลองเสียได้ในโลกนี้เราเรียกผู้นั้น ซึ่งไม่มีความโศกมีทุลีไปปาดแล้วผู้บริสุทธิ์แล้วว่าเป็นพรามก็เจริญเมตาตาต่ออุบาสกอุบาสิกาทุกท่านณบัดนี้นธรรมภาพจะได้นำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ท า, าที่ได้ทรงแสดงไว้ในสังยุตตนิยนิทานวัฏ โดยมีเรื่องเกี่ยวข้องกับพระมหากัสปะเทระซึ่งได้แสดงเรื่องอภินิหารของพระเทระมาหลายครั้งแล้วในคราวนี้ก็จะได้นาเรื่องการให้โอวาตแก่ภิกษุทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าและของท่านพระมหากัสปะมาแสดงเพื่อให้เราได้ศึกษาดูว่า พระอรหันต์เช่นพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้ามีการให้โอวาดแก่ภิกษุด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธทิคุณอย่างไรและโอวาทเหล่านี้มีค่าแก่ชีวิตของเราหรือไม่โอวาทของพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อให้กิเลสของผู้ฟังทั้งหลาย บรรเทาจนหมดสิ้นลงในทุติยโอวาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเวลุวันกรุงราชครื้ครั้งนั้นแลท่านพระมหากัศปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดว่าดูก่อนกัศปะเธอจงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายจงกระทำทรมิกถา คือแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเราคือพระพุทธเจ้าหรือเธอพึงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายเราหรือเธอพึงกระทํำทำมีกาถาแก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ขอให้พระมหากัะสปะได้อนุเคราะห์แก่พระภิกษุด้วยกันด้วยการให้อววาทพระองค์ก็จะทําเหมือนกันเพราะว่าบุคคลไม่ได้ฟังธรรมแล้ว ก็จะเสียประโยชน์ที่ควรจะได้คือประโยชน์ในการบรรลุมรรคผลผนิพพานแต่ท่านพระมหากรสปะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงอกุศลคือสิ่งที่เป็นกิเลสประกอบด้วยธรรมที่ทาให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทน ไม่รับอนุสาสนีโดยเคารพคือไม่ยอมรับคําสอนนั่นเองบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาเนี่คือคือตัวที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับอนุสาสนีโดยเคารพคือบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตะปะไม่มีความเพียรไม่มีปัญญา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 บุคคลไม่มีศรัทธานี้เป็นความเสื่อมโทรมข้อที่บุรุษบุคคลไม่มีหิรินี้เป็นความเสื่อมโทรมข้อที่บุคคลไม่มีโอดตะปะนี้เป็นความเสื่อมโทรมข้อที่บุรุษบุคคลเป็นคนเกียดคร้านนี้เป <|so|> ็นความเสื่อมโทรมข้อท ER> ี่บุรุษผู้มีปัญญาสามนี้เป็นความเสื่อมโทรมข้อที่บุรุษบุคคลมักโกรธนี้เป็นความเสื่อมโทรมข้อที่บุรุษบุคคล ผูกโกรธนี้เป็นความเสื่อมโทรมข้อที่ไม่มีภิกษุผู้กล่าวสอนนี้เป็นความเสื่อมโทรมที่ท่านแสดงถึงเรื่องของความเสื่อมของชีวิตวันและคืนที่ล่วงไปถ้าบุคคลใดไม่เกิดศรัทธาคือไม่เลื่อมใสไม่ชอบใจในความดีหรือในคาสอนพระพุทธเจ้าไม่ชอบใจที่จะได้บัคผลผนิพพานมันเสื่อม ความดีที่เราจะมีอยู่ก็จะเสื่อมไปการให้ทานรักษาศีลแล้วก็จะไม่ทำหรือไม่มีหิริไม่มีอดตปะปาก็คือความเคารพนั่นเองนะไม่มีความเคารพในกุศลธรรมหรือในคำสั่งสอนก็ไม่มีความเพียรเมื่อไม่มีความเพียรปัญญาที่จะเข้าไปรู้ความจริงที่พระเดีเจ้าตับสรู้จะไปรู้อริยรรสัจสี่ก็ไม่เกิด อันนี้แหละเป็นความเสื่อมของชีวิตที่เปรียบเสมือนพระจันทร์ข้างแหลมก็ย่อมเสื่อมไปเรื่อยคือแสงก็เสื่อมมนทนก็เสื่อมความกว้างความใหญ่อะไรก็เสื่อมหมดไปรวมทั้งการที่เป็นคนมักโกรธผูกโกรธและที่สำคัญก็คือถ้าเรามีเป็นบุคคลอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีภิกษุมากล่าวสอนเราเพราะสอนไม่ได้เราไม่รับก็เป็นความเสื่อมของชีวิตไป ไม่มีใครเขามาเมตตากรุณาต่อตัวเราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลบางคนมีศรัทธามีหิริมีโอตตะปะมีความเพียรมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผ่านมาเป็นอันหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเสื่อมไม่ได้เลยเปรียบเหมือนพระจันทร์ในข้างขึ้น ย่อมเปล่งปลั่งด้วยวันณนะคือด้วยสีด้วยมณฑลมณฑลก็คือบริเวณโดยรอบด้วยรัศมีด้วยความยาวและความกว้างในในคืนหรือวันที่ผ่านมาชั้นใดบุคคลบางคนผู้มีศรัทธามีหิริมีอดตปะมีความเพียรมีปัญญาในกุสลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผ่านมา เป็นอันหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเสื่อมไม่ได้เลยเหมือนฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่บุรุษบุคคลมีศรัทธานี้ไม่เป็นความเสื่อมโทรมข้อที่บุรุษบุคคลมีหิรินี้ไม่เป็นความเสื่อมโทรมข้อที่บุรุษบุคคลมีโอตตปะนี้ไม่เป็นความเสื่อมโทรม ข้อที่บุรุษบุคคลมีความภาคเพียรนี้ไม่เป็นความเสื่อมโทมข้อที่บุรุษบุคคลมีปัญญานี้ไม่เป็นความเสื่อมโทรมข้อที่บุรุษบุคคลไม่มักโกรธนี้ไม่เป็นความเสื่อมโทมข้อที่บุรุษบุคคลไม่ผูกโกรธนี้ไม่เป็นความเสื่อมโทมข้อที่มีภิกษุผู้กล่าวสอนนี้ไม่เป็นความเสื่อมโทมนี้ข้อความก็ชัดเจนถ้ามีศรัทธาเจริญขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะฝังทำ เราก็จะเข้าไปไต่ถามธรรมเราก็จะปฏิบัติศีลปฏิบัติสมถะให้ได้าานเราก็จะปฏิบัติวิปัสนาให้ได้รู้ลักษณะความจริงของรูปนามว่ารูปไม่เหมือนนามอย่างไรนามไม่เหมือนรูปอย่างไรนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆต้องอาศัยศรัทธาอาศัยยีริโหตตับ ป, ปะคือความเคารพเห็นว่าการเจริญกุศลนะเป็นของสาคัญของชีวิต อย่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปเราต้องภาคเพียรประคับประคองใจให้ตั้งไว้ในกุศลให้ตั้งไว้ในศีลในสมาธิในความมักน้อยสันโดษเหล่านี้เพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามเนี่ยมีศรัทธาเท่านั้นแหละไม่เสื่อมแน่แล้วเราใช้ศรัทธาเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือระลึกไปเรื่อมใสไปในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรม โลกุตระรรก้ามบัคสีพ้นสี่นิพพานหนึ่งคุณของพระยส่งเนี่ยระลึกไปอย่างนี้นะความเจริญของศรัทธานั่นแหละก็คือความเจริญของชีวิตนั่นเองแล้วบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยมีจิตคิดขัดเคืองใครไม่ผูกพยาบาทเพราะฉะนั้นคนก็จะรักภิกษุก็จะกล่าวพร่ำสอนเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราไปเรียนหนังสือแล้ว เราไปฟังธรรมแล้วเราแสดงอาการขัดเคืองแสดงอาการที่ไม่เคารพเนี่ยก็ผู้แสดงธรรมก็หมดกําลังใจเหมือนกันแต่เราแสดงความเป็นผู้มีศรัทธาเป็นต้นเน mm. ก็จะได้อาจารย์ที่มีกําลังใจมีความกรุณาที่จะแสดงธรรมพระสัมมาสพัพพะเตจ้าได้ได้อนุโบธนาต่อถ้อยคําของพระมหากัสปากว่า สาธุสาธุดีแล้วดีแล้วกัสปะแล้วก็ยืนยันตามถ้อยคํานั่นเหมือนเดิมคือคือยืนยันถ้อยคําทุกคําของพระมหากัสปะเหมือนกันทุกคําเลยว่าบุคคลที่เสื่อมก็คือศรัทธาเขาไม่มีฮิเลโอตตปะเขาไม่มีความเพียรปัญญาอะไรเขาไม่มีตลอดคืนตลอดวันส่วนบุคคลที่เจริญก็ทานอง ตงกันข้ามนะเขาจเจริญศรัทธาในเหตุแห่งการที่จะได้ศรัทธาเนี่ยเป็นอย่างไรเหตุแห่งการที่จะได้ศรัทธาก็ต้องมีการเข้าไปฟังธรรมเราฟังธรรมของพระสัมมาสัพพธเจ้าแล้วโอกาสที่ศรัทธาจะเกิดจะมีมากเหลือเกิดฟังธรรมแล้วก็ระลึกตามไปในคําสอนของท่านก็จะได้ศรัทธาไปอีกส่วนหิริโอตตะปะนั้นมีเหตุ คือหิรินี่ก็ระลึกถึงตัวเองเป็นหลักเห็นเห็นกิเลส ข, ของตัวเองแล้วก็รังเกียจละอายว่าโอ้ยเราอายุแค่นี้แล้วเนี่ยได้รับการศึกษามาดีแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่ก็ยังมีกิเลสมักบ่มอยู่มากเราควรจะทําให้กิเลสหมดอันนี้มีเรียกว่าหิริโอตตะปะนี่ก็กลัวผลของบาปกรรมที่เราเชื่อว่ามีจริงกลัวจะมาเบียดเบียน ชีวิตเราในปัจจุบันและในอนาคตกลัวผลของบาปอย่างนี้ก็เกิดด้วยการตารบผลกรรมนั่นเองว่านรกยังเป็นของเราอยู่เรายังเป็นเจ้าของได้ความเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยเรายังละไม่ได้เลยแม้ในชาตินี้เราโชคดีมาเป็นมนุษย์ก็ไม่นานนัก เราตายจากมนุษย์แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าวิบากของกรรมจะจัดการให้เราไปเกิดในกำเนิดอะไรข้อที่จะไปสู่อาบายภูมิเนี่ยเป็นของง่ายสำหรับปุถุชนส่วนความเพียรก็เช่นกันเมื่อเราเกิดความสลดสังเวชใจในความทุกข์ของชีวิตได้หรือในการเห็นภัยของวัตจะสงสารก็จะมีความเพียรว่าเราอย่าัวนอนเกียจคร้านอยู่เลย เรานอนอยู่เนี่ยก็จมอยู่กับกองทุกข์จงลุกขึ้นทําความเพียรเถิดอย่าปล่อยใจไปในความประมาทเลยส่วนปัญญาก็เกิดจากการฟังธรรมนี่แหละแล้วก็อาศัยธรรมะนั้นนะสอนใจตนเองจนสามารถเห็นเรื่องกรรมเรื่องผลกรรมเรื่อง ขันห้าอายุตนะได้เนี่ยปัญญานี้แหละจะเป็นศัตรูที่จะไปกำจัดอวิชชาและตัณหาเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับพระจันทร์ในข้างขึ้นซึ่งก็จ ะ, จ ะ, จ ะ, จะเจริญไปจนเต็มที่เราจะไปเต็มเป็นพระจันทร์วันเพ็นด้วยคุณธรรมก็เมื่อเราเป็นพระอรหันต์ถ้าเรายัง ไม่ถึงเป็นพระรหัส น, นี่ถือว่ากุศลธรรมของเรายังไม่บริบูรณ์แม้จะเป็นอนาคามียก็ยังไม่บริบูรณ์ต้องเป็นพระรหันส์แล้วจึงจะถือว่าบริบูรณ์เพรา ะ, ะนั้นถ้าเราอยากจะได้ความเจริญชีวิตโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือมีคนมาพร่ำสอนเราเนี่ยเราจะต้องทําตนให้เป็นผู้มีศรัทธาหิริโอดตะปะความเพียรความมีปัญญาเอาไว้ก็จะได้ บุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรมาพร่มโอวาทสอนคือจะได้บุคคลเ ช, ธธเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระมหากรสปะมาพร่มสอนเพราะท่านแสดงไว้เองว่าบุคคลผู้ว่ายากไม่อดทนเนี่ยก็เสื่อมไม่มีใครอยากจะสอนแต่บุคคลผู้มีศรัทธาก็จะได้กัลยาณมิตรพระหันจะสอนก็ต้องสอนผู้มีศรัทธาก่อน ต่อไปเป็นตติยโอวาทสูตรคือโอวาทสูตรที่สพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกัลันทกะนิวาปสถานกรุงราชครื้นครั้งนั้นแลท่านพระมหากัสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งขั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนกัสปะ เธอจงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายจงกระทำทำมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายกัสปะเราหรือเธอพึงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายเราหรือเธอพึงกระทำทำมีคาถาแก่พิกษุทั้งหลายราร พ, า พ, าย ร, า ร, พระรพพเจ้าจะจะให้พระภิกษุผู้เป็นพระหั น, นยแสดงธรรมด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความกรุณาสัตว์โลกอย่าได้เฉยซะอย่าได้นิ่งเฉยซะอย่าได้อุเบกขาซะ ท่านพระหมห า, าการสปะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผูมีพระภาคเจ้าผู้เจริญภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ว่ายากเราลองคิดดูสิว่าในสมัยพุทธเจ้าภิกษุผู้ว่ายา ก, กมีอยู่แล้วคือสอนยากนั่นเองไม่ตั้งใจจะรับคำสอนแล้วในสมัยนี้เล่าห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากพระอรหันต์เดี๋ยวนี้นี่เราจะไปหาพระอรหันต์ที่ไหนนอกจากใน พระใจปิดอกแปดหมื่นสี่พันยาไปหาเลยในที่อื่นไม่มีหรอกพระหันแท้ๆเนี่ยจะต้องพูดสอนแต่คําสอนพระพุทธเจ้าจะไม่เอาคําสอนใครมาพูดมาคิดมาจํามาพร่ำสอนเลยเพราะรู้ว่าไม่มีคําสอนใดจะบริสุทธิ์หมดจดด้วยปัญญาสัพพัญญุตยานเช่นพระธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าได้แต่ว่าพระมหากัสปากก็บอกว่า พิสูทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมเป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับอนุสาสนีโดยเคารพไม่อดทนนี่ก็คือคือไม่ฟังโดยโดยเต็มใจนะพระพุทธเจ้าได้ตัดว่าดูก่อนกัสปะก็เป็นความจริงอย่างนั้นผู้ธเจ้ารับรองครั้งก่อนคือก่อน ในเวลาเนี้ยในเวลาที่พระมหากษัตริยกล่าวถึงเนี่ยภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเถระหมายถึงว่าบวชมานานจนมั่นคงแล้วมั่นคงในคุณธรรมเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นปกติเป็นวัดเนี้ยคือเป็นปกติและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดว่า อยู่ป่านะมีประโยชน์มีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะสารเสริญอย่างมากเลยเป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดและกล่าวกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือเที่ยวบินทบาตเป็นวัดคือไม่รับกิจนิมนต์เที่ยวบินทบาตไปด้วยกําลังแข่งรับอาหารบ้านสองบ้านพอยังชีพไปได้เป็นผู้ทรงผ้าบาังสุกุล คือผ้าเปื้อนฝุ่นเป็นวัดไม่รับผ้าที่เขาถวายด้วยมือและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงใจจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไใจจีวรเป็นวัดคือผ้าบางสุกุลในก็แบบหนึ่งคือต้องเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วส่วนผ้าใจจีวรแปลว่าถือเฉพาะสามผืนเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย ปราถนาน้อยนี่ก็คือหมดความอยากนะและก็ปกปิดคุณความดีของตนไม่ไปเปิดเผยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มีความปราถนาน้อยเป็นผู้สันโดษสันโดษสิบสองประการคือความยินดีพอใจในปัจจัย4ตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษ เป็นผู้สังัดจากมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากมู่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยมูและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่คลุกคลีด้วยมู่เป็นผู้ปรารบความเพียรคืออยู่คนเดียวก็ไม่จะอยู่แล้วคิดอะไรฟุ้งซ่านแต่ว่าอยู่แล้วก็ปรารบความเพียรทางใจกระทาสมถรกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็น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 ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระอื่นๆนะองค์อื่นย่อมนิมนเธอให้นั่งด้วยคําว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อรายช่างรุ่งเรืองหนออันนี้รุ่งเรืองด้วยคุณธรรมนะคือทุดงวัดนั่นเองใครต่อการศึกษาแท้คือใคร่ต่อการปฏิบัติไตรสิกขาโดยแท้ไตรสิกขาก็คืออธิศีนอธิติอธิปัญญายกย่องมาก พระภิกษุผู้เลิศในความใข่ต่อการศึกษาก็คือพระราหุลไต่ถามพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยในเรื่องคําพระธรรมคําสอนเนี่ยถามอยู่ตลอดแล้วเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ถามแล้วก็แล้วกันไปเพราะฉะนั้นพระภิกษุผู้เป็นเถระย่อมศรัทธาเรื่อมใสเคารพยำเกรงก็เชื้อเชิญมามาเถิดภิกษุนีิอาสนะนิมนต์ท่านนั่ง ดูกรกปะเมื่อภิกษุทั้งหลายกระทำสักการะอย่างนั้นสักการะก็คือความบูชานะครบรบบูชาอย่างนั้นภิกษุใหม่ๆพากันคิดเห็นว่าภิกษุก็มีบวชใหม่บวชกลางบวชเก่าภิกษุบวชใหม่เม่อรู้ว่าโอ้พระอุปชาของเราหรือว่าอาจารย์ของเราหรือเจ้าอาวาสเนี่ยเขาเคารพนับถือพระเหล่านี้นะพระคือทราบว่าภิกษุรูป ที่ถืออยู่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นเนี่ยว่าเป็นผู้รุ่งเรืองใกล้ต่อการศึกษาแท้ๆแล้วก็พระเถระเนี่ยย่อมนิมนต์ย่อมยกย่องอย่างนั้นภิกษุใหม่ๆเหล่านั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็จะทำตามว่าโอ้นี่นะพระภิกษุแท้ๆที่พระเถระเขายกย่องกันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติตามของพวกเธอนั้นคือของพวกภิกษุใหม่นั้น เป็นการอำนวยประโยชน์สุขชั่วการละนานแก่ตัวท่านเองด้วยและแ ก, แก่พระศาสนาด้วยแก่คนรุ่นหลังด้วยดูกรกัตสปะก็บัดนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระไม่เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดไม่เป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาดเป็นวัด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 ไม่เป็นผู้สงัดจากหมู่และไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่ไม่เป็นผู้คลุกคลีด้วยหมู่ขออภัยไม่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมูก็คือคลุกคลีด้วยหมู่นั่นเองและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการไม่คลุกคลีด้วยหมู่ไม่เป็นผู้ปราลบความเพียรและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรบรรดาภิกษุเหล่านั้นคือภิกษุที่ไม่ทําทุดงเนี่ยนะภิกษุใดเป็นผู้มีชื่อเสียง มียศมียศนี่หมายถึงว่ามีบริวารมากมีคนนับหน้าถือตามากได้จีวรบินทบาทเสนาสนะเสนาสะนะที่อยู่อาศัยและคีฬานปัจจัยเภสัชบริขารพวกภิกษุผู้เป็นเถระย่อมนิมนเธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอใคร่ต่อเพื่อน สะพรมจารีคือเพื่อนผู้ร่วมประพฤติพรหมาจาันทร์ด้วยกันแท้คือคือหมายความว่าไม่ได้ใค่ต่อการศึกษานะใคร่ต่อการที่จะมาเป็นเพื่อนกันจะมาคุกคีกับพระภิกษุด้วยกันมาเถิดภิกษุนี่อาสนะนิมนต์ท่านนั่งนี่พระเถระเห็นเขามียศมีชื่อเสียงก็โอ้เลื่อมใสเขาซะแล้วนําเขามายกย่องเลย ดูกอกัสปะเมื่อภิกษุทั้งหลายกระทำศักการะอย่างนั้นพิกษุใหม่ๆพากันคิดว่าทราบว่าพิกษุที่มีชื่อเสียงมียศได้จีวรบินทบาทคิฬานเภสัตปัจจัยบริขารและเสนาสนะผู้พิกษุผู้เป็นเถระพากันนิมนต์เธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดพิกษุพิกษุรูปนี้ชื่ออะไรช่างรุ่งเรืองหนอใคร่ต่อเพื่อนจะพรหมจรรย์ด้วยกันแท้ มาเถิดพิสษุนี่อาสนะนี่มนท่านนั่งพิกษุใหม่ๆเหล่านั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอ๋อเราต้องเอาบ้างนะต่อไปนี้เราต้องพยายามหาชื่อเสียงให้มากๆชื่อเราไม่ดีต้องตั้งชื่อใหม่ให้มันให้คนมันทึ่งให้คนมันมีเอ่อมีความสนใจขึ้นมาชื่อฉายาเราไม่พอเขาตั้งฉายาเราเนี่ย ยังไม่ประทับใจคนต้องตั้งต้องหายศต้องให้ได้ปัจจัยสี่มากมซึ่งัตบนี้ก็รุ่งเรืองกันมากแล้วพระทั้งหลายก็ยกย่องกันด้วยภิกษุใหม่ๆเหล่านั้นก็จะปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นคือจะเอาอย่างกันแม่ปูลูกปูเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติการปฏิบัติตามของพวกเธอนั้นไม่อานวยประโยชน์มีแต่ทุกข์ชั่วการละนาน ไม่อำนวยความสะดวกแก่ตัวเองด้วยแล้วก็ไม่อาํอานวยประโยชน์กับพระภิกษุรุ่นหลังพระภิกษุรุ่นหลังมาเอาเห็นรุ่นแรกเขาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นตามเขาไปดูก่อนภิกษุอขอขออภยัยดูก่อนกับสปะบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบควรกล่าวว่าคือจะกล่าวโดยถูกต้องตามความเป็นจริงควรกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถูกอันตรายแห่งพรหมจรรย์เบียดเบียนเสียแล้ว อะไรเป็นอันตรายอย่งพรหมจันทร์นะผู้ประพฤติพรหมจันทร์ซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณโลภมากอยากได้ชื่อเสียงปัทโทนะทำไมเราไม่ให้เขาเรียกแล้วว่าเป็นพระหรหันจริงๆเล่านะทำไมเราต้องไปได้ชื่อเสียงไอ้หลอกๆลวงๆแต่ว่านั่นแหละความโลภมันชอบนะผู้ประพฤติพรหมจันทร์ซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณถูกความปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจันทร์เบียดเบียนแล้ว มันปรารถนามากเกินไปทำไมต้องได้ปัจจัยสี่มากเระบวชเพื่อหวังปัจจัยสี่หรอหวังได้จีวรใหม่ๆสวยๆมากๆหรือหวังได้บิณฑบาตดีๆหรือหวังได้ที่อยู่อาศัยขีลานเภสัอยารักษาโรคดีๆหรืออยากได้ยศมากๆมีบริวารมากมีชื่อเสียงมากอย่างนั้นหรือนั่นต้องถามตัวเองนะพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่า ถูกความปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจันทร์เบียดเบียนแล้วความโลภเบียดเบียนแล้วดูกรกสาปะบัตรนี้บุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบควรกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจันทร์ถูกอันตรายแห่งพรหมจันทร์เบียดเบียนเสียแล้วผู้ประพฤติพรหมจันทร์ซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณถูกความปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจันทร์เบียดเบียนเสียแล้วเนี่ยก็ เรามาบวชเพื่อจะละความโลภ ก, ก็กลับกลายเป็นว่าความโลภเข้ามากำจัดการบวชของเราผู้แงง่ายว่าถูกศัตรูทำร้ายจนถึงตายนั่นเองจบตัติยะโอวาทสูตรนะท่านอธิบายว่าที่พระหมหากรสปะบอกว่าพระภิกษุสมัยนี้ว่ายากก็เพราะว่าสมัยก่อนเป็นผู้ว่าง่าย สมัยสมัยที่ท่านที่ท่านได้แสดงเนี่ยที่เรียกว่า เ, ออเป็นผู้ใไข่ต่อเพื่อนพรหมจารีหมายความพิกษุที่ที่เขามีชื่อเสียงมียศเนี่ยเขาใไข่ต่อเพื่อนพรหมจารีหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าไข่ปรารถนาต้องการอย่างนี้ว่าพิกษุเหล่านี้จงแวดล้อมเราเที่ยวไปคือ ต้องการให้พระภิกษุมาเป็นบริวารของตัวเองไม่ได้ใข้ต่อศีลสมาธิปัญญาแต่ว่ามาที่มาหาชันที่แล้วเธอจะได้มียศ ด, ด้วยเธอจะรู้จักโยมเยอะเธอจะได้มีจีวรใช้ดีๆมีอาหารกินดีๆไปด้วยกันนะอย่างนี้ภิกษุเหล่านี้ต้องแวดล้อมเราเที่ยวไปเที่ยวไปก็คือยืนเดินนั่งนอนไปด้วยกันเพื่อเป็นเหตุให้ได้ศักการะให้ได้ลาบ มากขึ้นทีนี้คำว่าถูกพรหมจรรย์เบียดเบียนแล้วหมายความว่าผู้ใดมีฉันทะราคะคือมีความอยากในลาบยศสารเสริญเนี่ยนะเกินประมาณในปั จ, จัจสี่ของเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นอุ ป, ปัตถวะอุ ป, ปัตถวะนี่คือเบียดเบียดไอฉันทะราคะนี่นะ ในปัจใจสีนเนี่ยมันจะเบียดเบียนตัวเองพระมรรย์นของเราก็คือศีลของเราสมาธิปัญญาเราก็จะถูกเบียดเบียนเพราะอะไรเพราะว่าปรารถนาปัจใจสีมากเกินไปจริงๆแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธจเจ้าก็อุปการะพระภิกษุเนี่ยเหลือเฟือนะลาบเหลือเฟือจีวรนี่เหลือเฟืออาหาร ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเนี่ยเหลือเฟือมากมายไม่อดอยากหรอกแต่เราอย่างต้องการมากกว่านั้นยังต้องการอาหารที่ดีจีวรที่ดีเสนาสนะที่ดีแล้วเราต้องการชื่อเสียงยศมันเราก็จะถูกไอความต้องการของเรานะเบียดเบียนทําลายแล้วก็จะไปทําลายคนอื่นด้วยเพราะว่าคนอื่นก็จะโอโ้เราต้องตามหลวงพ่อนี้แหละหรืออาจารย์นี้ไปเถอะเพราะอาจารย์นี้ พระเถะทั้งหลายก็ยกย่องกันทั่วประเทศเราก็จะได้ไปมีชื่อเสียงมียศอย่างนั้นบ้างสรุปแล้วพรหมจรรย์ของตัวเองคือข้อประพฤติเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากให้ชั้นทราคะมันก็ไม่ใช่มันกลายเป็นประพฤติเพื่อเบียดเบียนตัวเองให้ไป